ที่นี่เราทำวัดนะตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่นกกาจะหากินก่อนที่พระที่จะขึ้นหลายคนอาจจะไม่คุ้นรู้สึกมันลำบากนะต้องตื่นนอนต้องถอกายนะมาที่นี่ก็อยากให้ระลึกว่าหรือตระหนักว่า แม้การตื่นมาทำวัดแต่เช้ามืดนี่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเราซึ่งเป็นคนเมืองแต่ว่าขอให้ทำเถอะขอให้เพียงพยายามเถอะมีหลายคนมีคนเป็นนั้นมากที่อยากจะมาทำวัดที่นี่หรือว่าที่อื่นแต่ไม่มีโอกาส เพราะว่าสังขาไม่อำนวยหรือว่าไม่มีสถานที่ที่จะใกล้เพียงพอที่จะไปการทำวัดสดมนนะมันเป็นมงคลกับชีวิตในขณะที่เรายังมีเรื่อมีแรงมีเวลามีโอกาสก็ พยายามใช้โอกาสนี้อาจารย์พยอมท่านพูดเตือนสติได้ดีท่านบอกว่าเราจะมาวัดเองหรือว่าจะให้คนอื่นหามมาเราจะสวดมนต์เองหรือว่าจะให้พระสวดมนต์ให้เราเราจะพนมมือเองหรือว่าจะให้ศัรเรนี่จับมือเราพนม อันนี้เราเข้าใจความหมายไหมว่าอาจารย์พยายามต้องการบอกว่าอะไรถ้าหากว่าคนถามเรามาวัดนี้แสดงว่าเราหมดลมแล้วถ้าหากว่าพระสวดมนต์ให้เราแสดงว่าเราอยู่ในโลงแล้วหากว่าสับเปล่าพนมมือให้เรานี่แสดงว่าเราตายแล้วหมดลมแล้ว ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะก็ควรทำสิ่งนี้นะอย่าให้หมดลมแล้วนะถึงค่อยนะมีคนจัดแจงให้เราลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะว่าอะไรดีกว่ากันมาวัดเองหรือให้คนอื่นหามพามาวัดนะสวดมนต์เองหรือให้คนอื่นสวดมนต์ให้เรา พนมมือเองหรือว่าให้สัปปะเรพนมมือให้เราที่จริงแล้วนี่มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับจิตใจเราได้สัมผัสถึงสิ่งที่เป็นมงคลเพราะว่าธรรมที่เราได้สาธยายนั้นเนี่ยล้ยแล้วแต่มีความหมายต่อจิตใจของเราทั้งสิน้นแล้เราก็ได้มีภาวะมี โอกาสนะที่จะได้นำธรรมะนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเราอยู่ในเพศอื่นภพอื่นหรือวัสภาวะอื่นฟังธรรมก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่เข้าใจมีเรื่องเล่า ว, ว่า สมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าได้หลังจากที่จำพรรษานะที่เมืองเวรัชาพามแล้วเนี่ยพระองค์ก็จาริกไปยังเมืองพารานสีกลางทางนี้ก็มีพญยายนาคตัวหนึ่งได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัดพอว่าได้มา เป็นพญ า, านานี่มานับหมื่นปีแล้วนะยังไม่มีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์สักทีพระเจ้าก็เลยจัดเป็นคาถาว่านะการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากนะการครองชีวิตเป็นเรื่องยากการได้ฟังพระสัตธรรมเป็นของยากและการได้ การอุบัติขึ้นของพอระเจ้านี่เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งในบรรดาของยากเหล่านี้เนี่ยเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราได้มาแล้วนะก็คือการได้ครองสภาวะแห่งความเป็นมนุษย์เขาเรียกว่า อ, อัตภาพอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระเจ้าจัดว่าเปรียบเหมือนกับเต่าตาบอดตัวหนึ่งซึ่งร้อยปีนี้จะขึ้นมาเหนือน้าจะขึ้นมาหายใจในผิวน้ำหายใจที่ผิวน้ำสักครั้งหนึ่งแล้วก็ในหมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั้นก็มีแอกนะแอกถ้าสมัยนี้ก็เรียกเป็นห่วงนะห่วงไม้การที่เต่าตัวนั้นเนี่ยจะโผล่ขึ้นมา ที่ผิวน้ำตรงกลางห่วงนั้นพอดีเนี่ยมันยากปานใดนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งในสิบล้านหนึ่งในร้อยล้า น, านหรือว่าอาจจะหลายร้อยปีทีเดียวนะถึงจะเป็นเช่นนั้นได้เพราะว่าเต่าตัวนี้ร้อยปีถึงจะขึ้นมาสักครั้งให้การเกิดมาเป็นมนุษย์นะเป็นเรื่องยากพอๆกันหรือยากยิ่งกว่า แต่วันนี้เราก็ได้ครองอัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมีโอกาสได้ฟังพระสัจธรรมซึ่งเป็นของยากเช่นเดียวกันไม่ได้แค่ได้ฟังนะแต่ว่าได้สาธยายด้วยอย่างที่เราสาธยายเมื่อกี้นี้ก็ทำมาจา ก, กวัฒตันสูตรเป็นปฐมเทศนาเรียกว่าเป็นการ จุดประกายแห่งความเป็นอิสระภาพของมนุษย์เพราะว่านับแต่ที่พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนานี้ก็มีผู้เทเบลุธธรรมตามมาเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่ปัญจวัคคีย์เ่ตั้งแต่ท่านัญญาโกณทัญญะนั้นเราได้ฟังสัจธรรมเนี่ยนะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วย แม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองเพราพระองค์ได้แสด็จปรินิพพานไปนานแล้วแต่ว่าก็ช่วยทําให้เราสามารถจะมีเครื่องมือในการที่จะครองชีวิตได้อย่างพาสุขแม้ว่าพระองค์จะตรัสว่าการครองชีวิตนั่นเป็นของยากที่มันยากก็เพราะว่า ต้องดิ้นรนในการทำมาหากินที่จริงยากมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะกว่าจะออกมาจากท้องแม่นี่ยากเพียงใดนะมันเจ็บปวดทรมานบางคนก็ออกมาไม่ได้ตายกันทั้งแม่ทั้งลูกบางคนก็ต้องต้องใช้วิธีผ่าเอาออกมาแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ ต้องอยู่ด้วยความยากลำบากถ้าเราไม่มีพ่อแม่ดูแลตอนที่เป็นทารกก็คงตายเพราะว่าเราไม่เหมือนพวกวัวหรือว่ากวางช้างที่พอเกิดขึ้นมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะยืนได้สามารถที่จะ ช่วยตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกๆของการเกิดแต่เรานี่ยช่วยตัวไม่ได้นานทีเดียวนะเป็นปีก็เรียกว่ายากทั้งตัวเราซึ่งเป็นทาล็กแล้วก็ยากทั้งพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ดูแลเกิดมาแล้วโตวแล้วก็ต้องทามาหากินต้องแข่งขันดิ้นรนแม้ประสบความสำเร็จนะมีการงานที่มั่นคงก็ยังยากในการที่จะรักษา ง, งานนั้นให้ต่อเนื่อง แล้วไม่ว่าได้อะไรมาก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะว่ามันจะสูญหายไปตลอดเวลาได้ทุกเมื่อเลายังต้องนะต้องเจอความพัดพรากสูญเสียที่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ว่าเนี่ค่ที่เราเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่แล้ว เมื่อวานนี้ไปแสดงธรรมนะที่กรุงเทพตอนเช้ากับตอนบ่ายคนละที่แสดงธรรมตอนเช้าจบก็มีคนหนึ่งมามาเล่าว่าเนี่ยเขารู้จักนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งก็มีฐานะดีมากแต่ว่าเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วย แม่นี้เสียใจมากเขาบอกว่านึกเสียดายที่แม่นี้ไม่ได้มาฟังธรรมที่มาบรรยายเมื่อวานก็ยังอยากจะหาโอกาสว่าอาตมาจะไปแสดงธรรมที่ไหนก็จะชวนแม่เข้าไปฟังธรรมตอนบ่ายบรรยายที่วัดยานาวาจบก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาหา หน้าตาเศร้าเราก็บอกว่าเพิ่งเสียลูกไปไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เพราะว่าสามีเนี่ยยิงภรรยาซึ่งเป็นลูกของเธอตายจริงๆเนี่ยตัวคนที่มามามาเล่านี่มามาหาตมะไม่ได้เล่ารายละเอียดก็เพียงแต่บอกว่าเสียลูกไปแต่ว่ามีคนมาบอก ไว้ก่อนแล้วว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เสียลูกนั่นก็เป็ น, นังเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่แต่ก็ไม่มีรายละเอียดมากแม่ก็เสียใจที่ลูกต้องมามาตายกระทันหันถ้าตายเพราะอุบัติเหตุก็คงพอทำเนาหนะแต่ถ้าตายเพราะน้ำมือของคนอื่นเนยเพราะคนที่เป็นสามี โดยที่สามมีก็ฆ่าตัวตายไปด้วยมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านั้นเธอก็โทษตัวเองว่าดูแลลูกไม่ดีนะเวลาลูกตายเนี่ยคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อจะรู้สึกแบบนี้เสมอว่าตัวเองทําได้ไม่ดีพอโทษตัวเองว่ามีส่วนทําให้ลูกตายทั้งที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอันนี้แหละที่พระเจ้าตัดว่าการ ครองชีิตเป็นของยากแม้ว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ต้องทํามาหากินเลยเก็ยังเตอต้องเจอความพัดพลาดสูญเสียแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่ายิ่งใหญ่หรือว่าต่ําต้อยนัยงการที่จะอยู่แล้วครองชีวิตได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมาก แม้ว่ามีเงินมีทองแม้ว่าจะประสบความสรุปในชีวิตก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยผ่านความผันผ่วปรปบปวดและความสูญเสียเหล่านี้ไปได้ก็คือธรรมะซึ่งการอุบาคพระเจ้าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุ น, นี้เพื่อให้มนุษย์ได้สามารถจะ ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้แม้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดพราดสูญเสียแต่ไม่ทุกข์ก็ได้นะแม้แก่แต่ใจไม่ทุกข์เป็นไปได้แม้ป่วยแต่ใจไม่ทุกข์เป็นไปได้แม้พัดพราดสูญเสียแต่ใจไม่ทุกข์นั้นทำได้และเมื่อ ความตายใกล้เข้ามาใจก็ไม่ทุกข์ใจเป็นกุศลปิติอิ่มเอิบในความดีก็ทำได้ถาหากว่าเราให้โอกาสแก่ตัวเองในการที่จะเปิดรับธรรมะและนำธรรมะไปปฏิบัติทั้งกายวาจาใจ เริ่มตัวตั้งแต่การที่รู้จักมองรู้จักสดับตัดฟังคําของเทวทูตหรือว่ารู้จักเตือนใจตัวเองเมื่อเห็นเทวทูตหลายคนสงสัยว่าเทวทูตคืออะไรพูะเจ้าเคยตรัสนะว่า คนชั่วเนี่ยเมื่อตายไปโยมาบาลก็จะถามว่าเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมถ้าคนชั่วนั้นตอบว่าไม่เคยเห็นไม่รู้จักโยมาบาลก็ถามว่าเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนแก่ไหมคนป่วยไหมเคยเห็นคนเกิดไหมเคยเห็นคนเจ็บไหม เคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนที่ทำผิดแล้วได้รับอาจจารหรือเปล่าหรือได้รับการลงโทษไหมแล้วเคยเห็นคนตายไหมถ้ า, าว่าคนชั่วนั่นบอกว่าเคยเห็นคนเกิดก็เคยเห็นคนเจ็บก็เคยเห็นคนแก่ก็เคยเห็นคนที่ทำผิดแล้วถูกลงโทษก็เคยเห็นคนตายก็เคยเห็น โยมบางก็บอกว่านั่นแหละเทวทูตแล้วก็จะถามต่อไปว่าเมื่อเจ้าเห็นคนเกิดแล้วเนี่ยนะเคยคิดไหมว่าเราจะทําความดีเมื่อเจ้าเห็นนะคนเจ็บเคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจ็บเพราะฉะนั้นจะต้องทําความดีเหมือนคนแก่ เคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่เพราะฉะนั้นเราจะตั้งนางตาทำความดีเมื่อเห็นคนทำผิดและได้รับอาญาได้รับการลงโทษ mm hmm. เคยคิดไหมว่าสักวันหนึ่งถ้าเราทำผิดก็จะโดนอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งนางตาทำความดีแล้วเมื่อเห็นคนตายก็คิดว่าระลึกว่าตระหนักว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นจะต้อง คนขวายทำความดีแต่ว่าเจ้านี่เห็นเทวทูตอยู่ทั้งห้าแล้วยังไม่ทำความดีเลยเพราะฉะนั้นจะโดนนะจะโดนโทษหนักนะคนชั่วนี่นะจะโดนโทษหนักเพราะว่าเห็นเทวทูตแล้วนะยังไม่ควรขวายทำความดี เรานี้อย่าไปรอให้โยมบาลถามนะว่าเคยเห็นเทวทูตไหมให้เราเราลึกว่านั่นแหละนะเมื่อเราเห็นคนเกิดนะคนเจ็บคนแก่คนที่ถูกลงโทษเพราะทำความผิดหรือคนตายเนี่ยตอนนี้เราคือเทวทูตเขากาลังมาเตือนเราเขากำลังม า, อาสอนเราว่านชีวินมันไม่เที่ยง เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำความดีเสียแต่วันนี้ไม่ต้องรอฟังธรรมจากผู้ตุจ้าก็ได้เพราะคนเกิดก็ดีทารกทั้งหลายนะคนที่เจ็บป่วยก็ดีคนที่แก่ก็ดีนะคนที่หรือแม้เราจะไม่เห็นคนทำผิทีุถกลงโทษก็คงจะได้ยินได้ข่าวหรือเคยเห็นคนตายนั่นแหละนะเขาสอนธรรมกับเราละ นะสอนทำเรื่องอ น, นิจจังความไม่จีรังยั่งยืนถ้าหากว่าเห็นคนเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่เกิดสํานึกไม่เกิดความสำเนียมนะอันนี้เป็นปัญหาละเป็นปัญหาทั้งชีวิตนี้แล้วก็ชีวิตหน้าเจอโยมบาบานี่ก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรแล้วก็จะต้องโดนลงโทษหนักสถานเดียวทีจริงไม่ใช่แต่ บุคคล5ประเภททะนั้นนะที่เตือนใจให้เราทำความดีให้เราไม่ประมาทมีสิ่งต่างๆมากมายเมื่อเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยเขาสอนทำให้กับเร า, าเช่นเวลาเงินหายของหายเนี่ยนะคนจนวนไม่น้อยเนี่ยเอาแต่คร่ำครวนแต่ไม่รู้จักใคร่ครวญเลยนะว่า เหตุการณ์นี้มันบอกอะไรเรามันกำลังบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันไม่เพียงแต่บอกถึงความไม่เที่ยงเท่า น, นั้นแต่มันยังบอกถึงความที่ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอย่างแท้จริงอันนี้ภาษาพระเลวานตตา ของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ทองมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแต่เป็นเพราะความหลงเราก็เลยไปสําคัญว่ามันเป็นของเราเป็นของเราแต่นั่นชั่วคราวเท่านั้นสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปถ้าไม่จากเป็นก็จากตายจากตายคือว่า เมื่อถึงเวลาที่เราตายไอ้ของทั้งหมดนั้นก็ตกเป็นของคนอื่นไม่มีทางเป็นของเราได้เลยไม่มีทางที่จะเอาไปได้เลยของเหล่านั้นยังเมื่อมันหายไปมันยีงเป็นสัญญาณเตือนว่าวันนี้หายเท่านี้วันหน้าจะเจอหนักกว่านี้เราเคยสำเหนียบหรือว่าเคยมองแบบนี้บ้างไหม เคยได้ยินว่าของเหล่านี้มันสอนทำดังกล่าวนี้ให้กับเราหรือเปล่าวันนี้หายแค่โทรศัพท์แต่วันหน้าจะหนักกว่านี้อาจจะเสียบ้านไปอาจจะเสียคนรัก อาจจะล้มละลายแล้วมอถึงวันที่เราตายมีเท่าไหร่ก็เสียหมดมีแสนก็เสียแสนมีล้านก็เสียล้านมีร้อยล้านก็เสียทั้งร้อยล้านถ้าของหายเงินหายนี่มันสอนทำให้กับเรานะแล้วก็มันเตือนใจให้เราไม่ประมาทด้วย เมื่อสักสิบปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะทำโทรศัพท์หายโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ราคาแพงแล้วก็มีข้อมูลเยอะร้อนใจมากอยากได้โทรศัพท์คืนก็เลยไปหาเกจิอาจารย์ไปหาหลวงพ่อท่านหนึ่งซึ่งท่านมีกิติศัพท์ว่านั่งทางในเก่งไปหาท่านเพื่อจะให้ท่าน นั่งทางนายแล้วบอกว่าเนี่ยจะหาเจอได้อย่างไรจะหาเจอได้ที่ไหนหลวงพ่อท่านแทนที่จะถามว่ายี่ห้ออะไรหายเมื่ อ, อไรท่านกลับถามว่ามีรถไหมมีครับเอออีกไม่นานก็ไปมีบ้านไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปเหมือนกัน มีแฟนไหมมีครับสักวันหนึ่งก็ไปเหมือนกันมาพอเจอเท่านี้แหละนะแกกราบหลวงพ่อเลยนะไม่ถามต่อไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะเจอจะโดนทักหนักกว่านี้แต่ว่าเข้าใจแล้วนะที่หลวงพ่อต้องการจะบอกก็คือว่าไอ้โทรศัพท์หายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็ดีนะที่ยังหายแค่นี้คือหายแค่โทรศัพท์ต่อไปยังต้องเจอความสูญเสียที่หนักกว่า น, นี้เพราะมนเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพียงแต่คนไม่ได้ตระหนักแต่ว่าเราสามารถจตระหนักได้จากการที่ของหายโทรศัพท์หายเงินหายต้องมองให้เป็นนะอันนี้ก็เทวทูตเหมือนกันนะ เทวดาโทนี่จริงแล้วไม่ใช่แค่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกลงโทษเพราะทำผิดหรือคนตายแต่เทวดาโทนี่มีอยู่รอบตัวเราเลยแล้วก็มีมาเรื่อยๆ้วคนฉลาดเนี่ยเมื่อเห็นเมื่อเงินหายของหายนี่เขาได้สติหรือเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเขาได้สติแล้วลความเจ็บป่วยมาสอนว่านี่ สังขารไม่เที่ยงสังขารไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเป็นตัวเราของเร า, เราต้องบังคับได้ไม่ให้ป่วยมั่วานนี่ยังเดินได้อยู่เลย ว, วันนี้เดินไม่ได้แล้วมันไม่เที่ยงมันไม่จีริ ง, รงๆแล้วก็มันยังเป็นสัญญาณเตือนว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เท่านี้นะวั น, นหน้าหนักกว่า น, นี้นะวันนี้ยังพอที่จะพูดคุยได้ยังพอที่จะเดินเหินได้แต่วันหน้านี่อาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามีท่อ ใส่มีสายรุยงระยอย่างน่าเคยเฉลียวใจบ้างไหมเวลาเจ็บป่วยเวลาปวดหัวปวดท้องว่าเนี่ยเขากำลังสอนทำให้กับเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเขากำลังเตือนเราว่าวันหน้าจะหนักกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าหายแล้วเนี่ยหายจะปวดหัวหายจะปวดท้องเนี่ยอย่าอย่านิ่งดูได้นะต้องรีบทําความดีแม้ ว, ว่าทําวัดเช้าจะต้องตื่นมาแต่ตีสามก็อย่าบน่นนะเพยายามขวนขวายเพราะว่ายัางมีโอกาสวันนี้มีโอกาสวันนี้ยังโชคดีที่มีสามารถจะเดินได้ด้วยตัวเองนะวันหน้านี้อยากจะมาแต่เดินไม่ได้ ป่วยพิการเอามาพึ่งเอามาพาดหรือว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วแตไม่ต้องรอให้หายปวดหัวหายปวดท้องนะถึงค่อยขนขวายแม้ขณะที่ยังปวดหูวปวดท้องนี่นแหละก็ระลึกว่าตอนนี้ยังพอทําอะไรได้ยังพอปฏิบัติทํายังพอทําความดีได้ก็ทําซะเพอาะถ้าหนักกว่านี้อาจจะทําไม่ได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะหรือว่าสิ่งเตือนใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาจากปากของพระก็ได้สิ่งที่เราเห็นอยู่นะคนแก่คนเจ็บคนตายเงินหายของหายหรือข่าวคราวว่าเนี่ยคนนี้ก็เสียลูกคนนี้ก็เสียแม่ไปเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจเราอย่างดีอีกไม่กี่วัน เมื่อเรือนี้ก็จะวันแม่แล้วแต่แม่หลายคนอย่างน้อยก็สองคนละเมื่อวานนี้ที่เขาเสียลูกไปเป็นวันแม่แต่ว่าลูกตายนี่มันน่าเศร้ามากแต่ว่าสิ่งที่เศร้าน่าเศร้ารพอกันคือว่าเป็นวันแม่แต่ลูกนี้น่เสียแม่ไปไม่ทันได้ กราบไม่ทำได้ดูแลท่านอย่างเต็มที่ไม่มีเวลาที่จะที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านได้ซ้ำเพราะว่าหมดเวลาเวลาหมดไปกับอะไรต่ออะไรมากมายทั้งการเที่ยวการเล่นการทำงานบางคนก็ปล่อยให้แม่นอนสมอยู่ที่บ้านบ้างโรงพยบาบาลบ้าง ส่วนใหญ่นอนสบายน้อยอยากก็อยู่ที่บ้านก็ไม่สนใจมีเพื่อนคนหนึ่งก็มาตัดเพาะว่าทําไมทําความดีนะไม่มีคนเห็นเลยก็ดูแลแม่คนเดียวขณะที่พี่สี่คนไม่สนใจเลยลูกนี่ลูกคนสุดท้องนี่ดูแลแม่พาอาะอาลไซเมอร์ไม่มาเยี่ยมไม่พอนะ เงินทองก็ไม่ให้ให้ลูกคนสุดท้องออกเองลูกจะขอโน่นขอนี่คนที่ดูแลจะขอนั่นขอนี่ก็บ่ายเบียร์ไม่ยอมให้พี่ไม่ยอมให้ไม่ว่าพี่สาวพี่ชายแต่รอแต่เพียงว่าพอถึงวันที่สิบสองสิงหาก็จะเอาดอกเอาพวงมลาลัยมากราบแล้วก็หายเงินทองก็ไม่ค่อยส่งหรือว่าให้แบบเสียไม่ได้ คนเหล่านี้นี่เขาไม่ตระหนักเลยนะว่าเขามีโอกาสแล้วเขาไม่ทําความดีกับแม่โอกาสทองกําลังหายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้รู้จักสํานึกสำเนียบขนาดแม่ของตัวเองนี่มาเตือนมาบอกด้วยอาการที่เจ็บป่วยแล้วก็ยังไม่รู้สึกอย่างนี้ก็ยากนะที่จะ นำพาชีวิตเนี่ยผ่านอุปสรรคได้ก็ต้องเจอกับความยากของการครองชีวิตแล้วก็ยากที่จ ะ, ะเผชิญกับความแก่ความเจ็บความป่วยและความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตได้แล้วก็ตอนเช้าก็ ปุถุนีนะ